มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาจตุทวักปัทวีสันธารกะปัญหาที่เจ็ดถามว่า ที่ว่าลมรองน้ําน้ํารองแผ่นดินนั้นจะให้เห็นว่าจริงได้ด้วยอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้าเมลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบไปด้วยปรีชาตุมเหภานาถพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไว้กับโยมว่าลมรองน้ําน้ํารองแผ่นดินนี่แหละ ทำอันนี้โยมจะเชื่อหาไม่ได้ภายใต้ลมเป็นอากาศเปล่าด้วยเล่าเออน้ำจะตั้งอยู่กับอะไรพระนาคเกษนเมื่อจะวิสัชนาแก้ไขจึงเอาธรรมมะกรกตักอุทกังแล้วก็เอามือปิดปากธรรมมะกรกไว้มิให้อุทกังไหลลงได้ถือไว้ให้พระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ทัศนาการทอดพระเนตรจึงถวายพระพรว่า มหาบอพิษฐ์จงทรงสังเกตดูธรรมกรกนีเ้เถิดลมทรงไว้ซึ่งอุทะกังฉันใดลมที่ร้องอุทธกังอันร้องแผ่นดินก็เหมือนกันขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงเมลินปินประชากรทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่ากันโลสิสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัทวีสันธารกะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้